ก็เป็นวันที่สามก็เดินเสียงหาคมใช่ไหมในสัม น, นะวันนี้ขอพูดเรื่อง อ, อภัยทาน <c oughs> คำว่าอาภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของมรสโิดาบันกัปิธาคามีพ อ, อรู้เรื่องอภัยทานมันคืออะไนเรยองวันนี้คนนั้นด่ากูเลยว่น่ไหม ตอนนึกว่าโทษด่าเราแล้วเราให้อภัยช่างมันเท่ด่าไม่เจ็บปวดอย่า้อภัยทานคำว่าอภัยทานมานช่งการให้ทาให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นข้าริยเจ้าครึ่งหนึ่งก็นาคามีมีไหมเสษคึ่งหนึ่ง อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพน้นจากโสดาสีคาคาไปแล้วนะที่มีตัดกรามาฉันทากับปฏิฆะการรมาฉันทาคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเข้ากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระวางเพศกามอารมณ์ปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนาคามีไม่มีสองตัวนี้ การอารมก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทูกอย่างเป็นอภัยทานหมดใครจะด่าก็ไม่ว่าอะไรใครจะว่างไม่ว่าอะไตามใจชอบถ้าเขาด่านีดก็ด่าตัวเองเขาด่าทั้งนเมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิงด่าไกลจเรายังชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองอ่ะเขาจะยินเองทีนี้การปฏิบัติกรรมฐานญาญโยงพุทธบริษัทว่าเบื่องต้นเงินก่อน เรื่องส้นจริงๆที่แนะนำบรรดาญาโยพุตรวิวจักรทุกคนคใช้อานาปานุสติเยอาปัจอัยใหญ่ปัจจยขวัญก่าจริงๆแล้วตามที่พ่อปานเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านใจะใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือนิจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาลสลายตัว <c oughs> คําว่าดิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดพระสุทักยก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงทดทิมด้วยไปในระหว่างกลางและมีการสลายตัวเป็นในี่สุดคนก็ตายใส่ ก, ก็ตายพระถุทก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือใ น, นเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องป่วยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็มีวัฏจักรทุกข์อนัตตาในที่สุดเรยดึงไว้เทา่าไรก็ตามมันยึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงควารการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นใส่ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในกรรมมีการาสลายตัวตายในที่สุด เราคิดว่าการเกิดนันทสุรุกมันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นเราทิ้อารมณ์นเสียหันเข้าไป จ, จับลมหายใจเขาออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่าอย่างไรบ้างเขตามใจชอบต้องทำภาวนาใีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่คิดคำภาวนบบาอย่างอื่นใช้คำภาวนาวพุโทโธให้ใจเข้านึกว่าพดทให้ใจออกทักงวพุทโธามื่อ ก, การรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ดีคำภาวนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำต่อสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามจงอยากคิดว่าคำภาวนาการวิจัยเข้าออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงยวาจะภาวนาไม่ได้ตางทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างจริงเราสามนาทีบ้างเลี๋ยวก็คิดอะไรมาแทนจกีเพวกัเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิดไปแล้วเมิ่ตามกดที่เราตั้งไว้ไม่คิดอะไรเข้ามาแทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จับคำที่เราประจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้าออไม่วปิพุทธ ใ, ใจออกโทโๆไปใหม่ ตอนนี้ถ้าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอย่าฝืนให้เลิกเนะถ้าฝืนจะไม่ลงสั น, นติสุพพราเจ้าไป็ต้องการตารปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างเส้นหนึ่งอาสากสิมัฐานิโยคเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนองเครียดเกินไปใช้อารมณ์เครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ถ้าไม่ใจไม่ใจทางมารุมา จะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชาโลอกี <c oughs> สองการบรรสุขนิการในโยกกรรมะแปลว่าความใไข้ขึออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาลิหนึ่งอยากจะได้ชาลิสองอยากจะได้ชาลิสามสีสส่ห้าดีแปดอะไรต่อตามเด็กถ้ารมอยากมีในขณะภาวนาพิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอากาสได้ผลต้องใช้มัชฉิมาปฏิปทาเพื่อความสุขของจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ลงให้ใจเข้ากำหนดรู้ลงให้ใจออกเพื่อความสุขเป็ต้องขันไม่จิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนเที่งมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็สุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลงให้ใจเข้าออกเราก็รู้ลงให้ใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการบำบัดนาแล้วก็รู้คําำบัดมาแค่นี้ใช้ได้ แล้วต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันแคกจะเริ่มดิ่งมันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปแช่ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตร่งการคิดไปคิดว่ามนุษย์สัน์โลกในไปนสุขหรือในทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองความจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกข์ประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความตาถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความชักด่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์จะมีเป็นต้น วความมาทุกข์ามานักตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี้มาทุกข์ประจําใจในเมื่อมันุษย์สุดกมันมาทุกขรแมันทรงตัวอได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองแล้วควรจะบอกว่าได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเมื่หมดการหมดสมัยหนะ้ากายมันก็พัง ตอนนี้ใเมื่อร่างกายพังเราคุณจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้สงถามตัวเองดูสิสิ่งใดอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่คือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ำํำร่างกายไม่สชปรกสวรรค์ เป็นสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรอยู่อยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> <c oughs> สวรรค์ไม่มีงานการอย่าพวกเราไม่มีการไม่มีเลยไม่มีการเปิดแคลมสบายแต่ว่าสวรรค์เป็สุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พ ม, ม่าโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่ความสุขจริงก็คือนิพพาน ทิพย์พานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขจะไม่ต้องขึ้นไปไหนเขาเด็ก <c oughs> ขอญาโยนยาถามพระที่อยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับเดีย๋ยถามมานะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักคอนสานให้หมอแก้ให้ไอ้ท <c oughs> <c oughs> ีด่ดินแดนใดมีความสุขไม่มีคำว่าเบื่อใช่อหม <c oughs> กรงความว่าการปฏิบัติกรรมฐ า, านจริงๆอันดับแรกคืออนิจจังทุกขังอนัตตก่อนถ้าเห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงคาว่าโลกคือเราร่างกายของเราเนี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไปนัตตาตายในที่สุดแ <c oughs> ม้เมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้ที่เดียวกัน ลหลังจากนันก็คุมสติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ยอมรับต่อถือพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์โดยหัดสุดภาวนาภาวนาคือ ก, ก, การทรงสติสมัมปัญญะนึกถึงพระพุทธพุทธเจ้าโดยเฉพาะคขมาพุทธโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเท่าลงให้ใจเท้านี้เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวเศร้าสมาธิ เล้ it, so the mountain, ่อให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโท่นี่เดิมต้นนะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามส่งสินให้บริสุทธิ์การทรงสินให้บริสุทธิ์วันนี้เขาพูดเรื่องอภัยทานถ้าเรามีอภัยทานแล้วสินบริสุทธิ์ทุกทุกข์ทุกขบทีอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน อย่างสัต์ที่เราควรจะฆ่าได้แล้วก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะขโมยได้แล้วก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมาคนที่เราควรจะทําการไปสุริชายจานได้เราก็ให้อภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้อภัยเราไม่โกหกสุรามีไรให้อภัยไม่ซื้อใช่ไหมไม่ซื้อไม่ไปขโมยแล้ินอะไรกันนะ แต่บอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรจากต้นกินเองเรา ก, ก็ไม่กินมันอภัยทา น, เ, นเป็นตัวต้นเป็นตัวสำคัญมากอาภัยทานอย่างอ่อนเป็นพระโสดาบัน <c oughs> อย่างกลางเป็นพระสกิทาคามีอย่างสูงสุดเป็นตั้งแต่นาคารีเทระหันอันนี้ถ้ า, าถามว่าพระโสดาบันกับสกิทาคารีมีโกรธไหมต้องสอบเฉพาะพระโสดาบันก่อน พระว่าปะโสดาบันนี่มีทั้งาสามขั้นปะโสดาบันอย่างอ่อนท่านเรียกว่าสาตักสตุงอย่างนี้ความโกรธยังมีแต่ว่าโกรธไม่หนักถ้าโกรธไ่นานตดแล้วสักทุ่หนึ่งก็จิตคายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโตอตอบแอปลพยาันถ้าปะโสดาบันชั้ขั้นโกรังโก ล, ละแห่งกลาง แบบนี้เขาด่าวันนี้สามวันรู้สึกว่าวันนั้นมันด่ากูดีกว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะสามวันนั่งเงียๆแตโอ้บางคนมันด่ากูนี่ยว่าไปแล้วช้ามาเถอะนะนี่ขั้นกลางใครเอกวิชีรด่าวเดือนว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาดา่าไงไปชาตไวไหมลูก ถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปไม่ตามราามีก็เป็นนั้นว่าก็โซดาบันก็ยังมีความโกรธให้ความโกรธไม่เท่ากันทศกัณ์ตรองยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ <c oughs> ่งนี่เป็นั้นว่าคนที่เขาทำาไม่ดีมาที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิสัย นิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอราหันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้พระาอารหันนี่ก็สาสอนเดียวกันอย่างภาษาทีบุตรเนี่ยภาษารีบุตรท่านเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเจริญลําน้ํำนำองคลองหรือทานน้ำํำลาย่อมพญาก้าวข้ามพ้นทาไมข้ามทำไม่เลยขัดฉะเบนโดดเลย นับรดาพระสงฆ์ใหม่สงสยัยอักษรวอกเบิงบ่งขวานในขนาดนี้จ ะ, จะไไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกท่านที่บอเขาเคยไลิงเขาเคยไปลิงม า, <c oughs> าก่อนถ้าไม่ไปหลารก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ไอคนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนใหญ่ๆจงพยายามให้อภัยไปอบัยโยธานเสียก็ถือว่ามันเป็นบุญและเป็นบาปก็เป็นนิสัยของเขานิสัยและสันดานไอสันดานไอสันติไอสืบต่อมาสกบต่อทุกชาติ ยัขอนำท่าสุดนี่แหละของท่าสุด แ, แก้เมื่อยมันใช่เรื่องเมื่อยนอะใช่ไมเรื่องการชัดเรื่องท่าสุดก็มีเรื่องสมถตัือเรื่องพระโลหุตายพระในพุทศาสนานี่มีพระโยงในสมัยพุทธเจา้า <c oughs> ที่ว่าโลหุตายองเนี่ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดําำเป็นขาว สร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรพยายามทําเสมอเนะี่ยที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลดระจายีว่าไม่ดีพระเจ้าว่่าอยางนี้อย่าทำอย่างนี้ทําลดกระจายทาแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระเจ้าจะไม่ทรงบัญใหญิถ้าไปทำํำคนแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญหญ่เขาไม่จับโทษ <c oughs> สร้างวป็นนายพระปฏิบัติจําไร่สิ่ข้อโลลุชายีโลเลที่บอกแล้วโลเลนะครนี้เวลาที่เขาไม่สวดตามบ้านยังสวดมนต์ตามบ้านเนี่ยเป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ยเขาต้องสวดเจ็ดํานานไม่เขาไม่จำไม่ถึงก็ไม่ต้องถึงที่สองตํานานเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลลุายีขึ้นต้นก็กุศลาธรรมากุศลาธรรมารอดสวดผีเขาเลย ถึงเวลาสวัสดีทุกที่ันโตโพจิยามูล็กยานังนี่โลลุทายีแกเล่นอ่างเล่นเรื่อยๆนะดีไม่ดีบางครั้งธรรมะที่ภาษาทิ่บุตรจะว่าโมคลาเคยเทศเวลาท่านมาอยู่แกก็ไปนั่งใกล้ๆใครมาคนนึงก็โมคลาภาษาทิ่บุตรนี่มลเทศขึ้นเทศแล้วเทศไม่ได้เวลาโลลทายี ไปมาท่านโลรุธาญีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมเดแต่ว่ามาที่สุดแล้วก็ทำไมพระพุทธเจ้าไปว่าอยู่กับพระุทธเจ้าด้วยนะคนที่อยู่พระเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แค่ว่ากลายดี <c oughs> ตอนปลายพว ก, กรรมดีเต็มอัตราไม่ความโลเลก็าหายไปเป็นพระาราหัน <c oughs> นานหน่อยนะ <c oughs> ที่พระเจ้าทรงทราบ เนื่อเมื่อท่านโลลุธายยโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเขาเลยถามองค์สมเด็ดจพระจอมไตรว่าพันเตภะกวาข้าแตองค์สมเด็ดพจพระผูู้้มีพระพาเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะอยากจะทราบว่าทำไมโลลุธายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สิทิจริงๆโลเลจริงๆนะอ๋อยนี่ยใกล้ๆ พรจ้าบอกว่าโลทายีไม่ใช่โลเลรสชาตินี้ใช่ก่อนเจาก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแต่บาป ท, ที่ทาให้โลทายีโลเลที่พระพุทธเจ้าไม่จัดทำไมเขาบอกถ้าขึ้นบอกเกินมระใจวิญญาณจะไม่เอาฉันรอในชายก่อนโลทายีเนี่เคยเกิดเป็นพ่อฉันนี่ไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชื่อนะโอ้โห นี่ไงใชไหมขนาดโรเลนี่ลองว่างใครสวดปฏิมนต์อะไรแต่งงานบ้านอยู่ฮะกุศลลาทำมากุศลลายาเป็นยาสลบเลยแต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยกุศลลานี่ใครเขาก็รู้เนี่ยคนตายใช่ไหมคนกันดันั้เลยบอกว่า ร, ชราชวิทยากรโรทายนีนี่ไป็พ่อสถาคต ตาท้าคตก็เป็นมาเล็กของบรราชาชื่ออะไรจํำไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอไป็นปกติวันหนึ่งปลาโกกักวมีสองตัวกัวมันตายสัตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไปถ้าต้องการลูกชายลูกชายเป็นที่ปวดตายของบรรดาชาซึ็นหลนเล็กที่บรรชารักมากเพราะฉลายค่องแค่ทุกอย่างบอกสมบัตลูกชายเอ้ย บางบ้างแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสุตัวนะเขจะะ า, า, ะาจะพระราชาท่านสมมทัศน์ก็บอกว่าถ้ากับผมจะขอเองยังไม่สมควรขอรับมันจะไม่ไม่ควรเกินไปทั้นที่ดีคุณพ่อจะขอเองก็แล้วกันแล้ว <c oughs> สมมทัศก์จะรู้เราพ่อสุงตัวไปยังไงใช่ไหมเจียงพาเข้าไปในป่าชา้าให้ผูกต้นหญ้าสมมติว่านี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะ กลุ่มนี้เป็นมาเป็นมหาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเส้นา น, น, นาวีไชยมันบามแล้วพ่อไป น, นั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคําพูดเลยนะเวลาเข้าไปพ่อท้าราชาถามว่าลุงเขาว่าทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคผมผมมีสองตัวมันตายซะตัวหนึ่งขอเจ้าราชาหนึ่งตัวครับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะ ถามโดยในคล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึางเวลาจะไปก็บอกออท่านสมมาทัศน ก, ก็บอกว่าพ่อไปดีหลังนะครับผมจะไปก่อนไปร้องกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปดีหลังก็เ ป, ป, ป็นก็ไปไปตามนั้น <c oughs> ตอนเช้าผมมท่านสมมาทัศนไปแล้วท่านพ่อตามไปก็ไปนั่งอะไรทีๆเขาสมมติสมสมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมาทัศนูปูผ้าไว้ให้ก็นัง่งเบนผ้า ถ้าถึงเวลาชายก็ทราบว่าเป็นพ่อของสมมาทัตเป็นว่าเป็นศิ์มากเนี่ยตอนที่เอาพ่อกึนมาเป็นไายกันเองถือเป็นกันเองถ้าคุณลุงมาโทรอะไรไหมคุณลุงคุุงกราบกราบถูได้ทรงทราบสร้างสร้างความเปจริง <c oughs> ว่าขอละเราขอข อ, ขอถวายพระพรเวลาที่โคเข้าพระเจ้ามีสองตัว มันตายไปได้วนตัวขอขอีกตั ว, ว น, ไไนึงขอจะไหวร้องไปเจ้าเป็นไงเจ๋มไหมมืตายแ่หตัวอีกตัวขอจะไวเลยไ้ซ้อสมสเดือนนี่อเปได้เวลาตายก็สมเศร้าตามเป็นจริงาว่หันมาถามสามสมส ที่บ้านเธอเนี่ยมีโคมากเลยสมมรทักเลยต่ว่าถ้าประสงพระเจ้ทานก็มีมากก็เยอครับแก่โทวหลุดไม่องใช้ก็แย่ลายตาชอบอกชอบใจเลยให้สิบกตัว ม, มีมากที่คนที่โลเลเนี่ยบัรดาญาโยมพุทธบริษัทที่นี้ใสไม่ดีมันติดมันตะชาิก่อนๆนคนจะให้อภัยถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจ้า คนท่านอย่างท่านโรทายีผู้จ้าไปสงว่าเพราะอะไรไหมเมื่อ <c oughs> คนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดีถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าจะช่วจังหวะนั้นเองความดีที่มีอยู่นะ่ะมันยังไม่ผลผลความชั่วเข้ามาสนองก่อนเขากลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโลเลไปทําเรื่องทำราใช่ไหม ต่อมาเมื่อกดก้มกรรมช่วยสลายตัวความดีปรากฏ ก, รกส็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดาไม่ว่าจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยรลายไปกลายมาแบบนี้นะก็เป็นหน้าว่าพวกเรานีน่็ไหมกันญาโยบริษัทพยายามใช้อภัยทานให้มาก ใจเสื้อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพรุ่งนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายานใช้บรรยากาศหัวเนกับใจเสมอถ้าคิดว่าจะไม่โกรธไม่โกรธห้เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้าเมียภัยทานมากๆเวลาพูดก้อมาทํางเป็นแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็นเฮ้ยเทียบได้กับใจใอินเดียไหม ไรซึ่นกกกกเนี่ยคนคนิจใจแล้วล้อในขาดอภัยทานนะที่ตัวนี้ตังค์พ่อเราห้าแสน 5, นี่เบาลงเ <c oughs> ตอถ้าเรามีอภัยทานคุอยากฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขาเขาทําชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบแย่ามาสัมผัสกันพยายามสัมผัสเนี่ยถ้าหลบไปไหวก็หล่อกุกตบไปชักดิ้มไปเลยหมดเรื่องราวไปห้ามพูดเช่หมแอย่างเอออย่างฉันเนี่ยเมื่อก่อนบวชก็แบบเนี้ยก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวไม่ใช่แห่ไพ่ทานอ ด, อดอดทนมั่งทนอดมั่งนะถ้าใครเขาพูดเขาว่าก็ด่าเขาเท้าถ่ายไปชอบใจจะยิ้มยินไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติ เขาด่าเนี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติหัดยิ้มให้ชินๆแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตาแล้วมันจะดิ่นหรอกปังเดียวตีโป้ปงเดียวพุบทุกทีล้นก็สามลายเรียบไปหนีลิงแค่ตีทีเดียวปุบเลยไม่ดิ่น่ก่อนเนติญี่ย์นะมาเดี๋ยวนี้เนติญี่ย้ได้แปลเหมือนกันนะ <c oughs> เมื่อก่อนได้ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนแล้วไม่กินเหล้าไม่สุบเรียใช่ไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปนั่คือไม่มีให้ยอมบอกค่ำแล้วเอ้ยเล่ยมัไปไหนเลยต่อไปครับถ้าไม่บอกกลางคืนถ้าบอกค่ำค่ำ แต่เราไปเที่ยวไม่ไปเที่ไหนไปบ้านอาบ้างบ้านญาบังบ้นาบนญ า, าติคุยใหญ่แต่คุณท่านช่วยใหญ่ไม่เจอไปหายาญาชอบสอนไม่นิทานเห่นไหยญาชอบสอนไนิทานน้ปู่เคยไปรับเข้าเคยเข้าสงครามเข้าขับเ ง, ง, งี้ยวอ่ะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังแล้วชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีเขากลับมาขโมยจะเข้าบ้านขาโมยเสีย ต, ตรงนั้นแหละ คนกับมาถึงพอดีเราขโมยวันหนึ่งคนขโมยสองคนกำลังจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอกตั้งใจไม่ทำอะไรมากนิ้วกดดิกไปนิดเดียวเสขโมยตายได้แม่ไม่หจาบแหกอยู่นะนิ้วเนี่ยนิ้วฝาเนี่ยถอดดิบแม็กแม็กมันก็ตุกมันก็ตุกอ่ะเฮ้ยขโมยก็ตกใจนิ้วก็สุกเลยตุ้ง แง่แก่ไปแล้วชาวยายาย่าถามว่าใครยิงเขามยบอกผมครับเพราะา่าสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอผมไม่ทํำบาปครับของสายขโมยมันถามทำไมขาโมยมาอดครับเป็นหิวถ้าทึ้นไม่ทําอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บน่นละบายใจพูดแล้วจะรีบโดโดตัวไปสนญย่าตี๋ ก็ลงความพยายามให้อภัยทางคิดหาภัยไปเสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคนจะอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกำหนดสิทิทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนทจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้ในรการทีสองทุกคนต้องเคยมีทานบารมี ถ้าไม่มีทานธรรมีจะมีทรัพย์ผินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลย <c oughs> ถ้านุ่งคอยไว้ดีใช่ไหมนี่กำลังของทานไม่เสมอกันเพราะกาเขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคุณฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงลงทุนมากแต่ได้ลงทุนมากเมกีมีสองน้อยเป็นส่วน <c oughs> เป็นด้บบนานปัญญาปัญญาคนคุกนคุ้อบร ม, มาแล้วแต่ว่าทําไมยิงเร็ว ว่าทุกชาติเเกิดมาเราต้องทําบาปบุญก็ทําบาปก็ทําเวลาที่บาปให้ผลมันก็โง่ทุกอย่างเห็นใจดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีเวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภัยเขานึกถึงตัวเรากเป็นเดียวไม่กันว่าเราบางครั้งล้วก็มวโมโหโตโสเจ้าบ้านในการที่มโมโหโตโสเจ้าบ้านนมันตัวบาปยังไม่นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายภาพวิดีโอจิจั่งซองวีโอไว้ แล้โมโหตังละละละ้งแล้วมาถยบอกท่าไหนมา่งเขาเริ่มโมโหแล้วมาใช้ดูไ <c oughs> ม่สวยไหมยังพูดกันเหมือนกันดีเดียวฟังม่รูเรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโหคือมโมหะตนหลงมาจากบาปในความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่บาบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้างหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่เต้าให้ผลเ้าให้ไปเสีย แล้วก็ไปสุขพยายามให้ไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันรุ่งขึ้ น, นจิตเป็นใครตัวคิดก็คิดว่าการต่อกอนรตลอดการที่คนที่ด่าเราไม่มีแล้วให้ไปด่าแล้วก็แล้วกัไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชิงคําว่าชินคือฌานตอนนี้วันที่สอนก็นมาถ่ายกันมาพูดเรื่องอภัยท า, านมาเป็นเป็นเอาแสงก่อนไหน ก็ต้อง ต, อ, ต, อ, ตอว่าไปกองศีลารมุสติกรรมทานอภปยทานเนี่ยนะเป็นทางสั่สุดนะักพุทธศาสนาเรื่องของบรรดาญาโยมวุฒิไวยัตถ์หลายโดยจนหน้าและอเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม่เป็นปกติจิดช้าค่อยเยอือกเย็นมันแพ้บ้างชะนะบ้างชะนะบ้างแพ้บ้างม ไ, ไม่อะไรไม่ฆ่าแล้วก็ชนะเป็นที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดอรายท่านได้ครึ่งหนึ่งขออาณาคารมีอะไรตอนนี้ใบของดาห ย, ย่าโยมบริเวณสัตว์ ท, ท่านตั้งใจสมาทานเช่นสมาทานใกรรมฐาน